ในวันนั้นก่อนที่จะไปเนี่ยคนที่แอดมันตัเนเขาแฟกนะว่ามีพระรามที่จะมาเรียนสมาธิยี่สิบคนรวมพ่อบอกเขาว่าถ้ามีพระรม มาเรียนยี่สิบคนแล้วก็จะไปแ้วจะไปอยู่สอนที่นั่นเจ็บนีุู้ดกว่นั้นมันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าหลวงพ่อจะสอนได้แล้วก็ไม่ไม่เชื่อว่าหลวงพ่อจะอยู่ได้จริงเพราะว่าวัฒนธราคนใหญ่โตจะไปอยู่กัะซอฟได้ยังไงเขาคิดกันอย่างนั้น แต่ว่าเขาก็แฝกงานว่ามีฝรั่ง20คนจะมาเรียนหลวงพ่อเได้เมื่อเป็นเช่นนั้นหลวงพ่อก็จะเรียนภาษาอังกฤษเขาแฝกมาได้ได้ปีหนึ่งคือไอ้ชีมเขาแฟกมาเนี่ยมันพอสอส4 2,541 คนี้ 2,541 เ, เนี่ยหลงพ่อเริ่ม เ, เริ่มเรียนภาษาอังกฤษว่าท่านใจว่าจะไปสอนนะถ้าใช้ล่ามแล้วถ้าเราไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยแล้วเ่าทำยังไงก็เลยเต้นเช้าขึ้นมาตีห้า ให้มีอะไรท่องเอบีแล้วก็ทองสับมันวันละสามสับไม่ให้ลืมสามสับสิบวันก็ได้สามสิบร้อยวันก็ได้สามร้อยปีหนึ่งก็ได้เก้าร้อยใช่ไหมสาม ปีนมันมีกี่วันครับสามรกสิบห้าวันเนี่ยเอาสามคูณได้เท่าไหร่กว่านรัีเด็ดเด5 <c oughs> ห้าวันเนี่ยเอาเก้าคูณได้เท่าไหร่ เออสามหนันเก้าสิบห้าครับหน9 5ครับครับใครจี๊ไม่หน่อยสิไได้เท่าไหร่หนึ่งันัห้า หนึ่งพันเก้าสิบห้าหนึ่งพันเก้าสิบห้าหนึ่งพันเก้าสิบห่งพันเก้าสิบหานึ่งพันเก้าสิบห้าหนึ่งพันเก้าสิบห้า เด็ดะไได้หน่งพนเก้าส้ารครับเลยหนึมความมันมนะ ว่าเปลี่ยนทำสำเร็จค่ถ้าแม่ทําไม่รู้เลยก็โดนตบไม่รู้ภาษาอังกฤษเลยนี่โดนตบต้มตุกแท้ไม่แช่ไม่ใช่สุกเปลือยเลยพอเวลาเขาให้เซนเราก็เซนเราก็คิดว่าลูกสิษย์เระ กลับทีมแล้วอยู่วะเขาก็ไม่เบี้ยวแต่แท่ที่ไหนได้ไปแช่ให้เขาอย่า <c oughs> งเงี้ยแม่ม่น่าเจ็บใจในชะ่ไหมเอ่อเนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็รู้หมดแล้วแต่เี่นี้หูเนี่ยมันใส่ได้ยินอยู่แต่ว่ามันแชเพราะฉะนั้นเวลาโต้ตอบเนี่ยผิด ควาผิดหูมันแช่ถ้าหูทป็นดีแล้วก็สบายมากนีเ้เอาไปไปถึงไอ้คนที่เขาบอกว่ายี่สิบคนน่ะ ไปถึงไปดูไอ้บัญชี<อ><ๆ>ก็เขียนว่าไอ้คนมาสมัครเรียนยังไม่นี้สักคนเลยผุนี้จะเปิดเรียนแล้ว <c oughs> อเูเพราะเราตกใจ <c oughs> ไปถามเขา <c oughs> ไอ้คนที่ถามมาคือคนที่ชื่อตูก๊กูลุคูลูกแรกไปได้สามีฝรั่ง <c oughs> แล้วก็ อยู่ที่นี่หลายเดือนกี่เดือนหลายเดือนนะเป็นปีนแล้วหลวพ่อใหนกงินเดือนเท่าไหร่นะไม่ได้เดือนสองคุณสองนงนะี่มากนะแต่แล้วเอามาเรียกมาดิไอ้ยี่คนนั้นมันไปไหนนี่ไม่มีสักคน บอกว่าตายห้าย้ายสามค <c oughs> คือว่าคนที่มีชื่ออยู่เนี่ยมันตายไปแล้วห้าคนแล้วมันย้ายบ้านไป็นมคน <c oughs> บอกว่าตายห้าย้ายสาม <c oughs> หมดไปเทา่าไรแป๊ดใช่ไหม <c oughs> อ้าวแล้กวก็อีกสิบสองคนเราบางนั้นเพอเพอตายหมด <c oughs> อ่าพวกเป็นสักคน ม, กม้อยเนสักคนตายหรอวะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเปิดเจ้าหลวงพ่ อ, เ, อ, อเรียบพวกครูสกุลไปเฉียงครูสกุลบ้านเขานี่จะมีคนอยู่บ้านเดียวนี่ยสิสองคนเขไม่ไว้สักสองคน นอนนั้นรลวงก็เอามารวมทีเป็นนักเรียนบทเอามาเป็นนักเรียนบททั้งหมดได้แปดคนมาแปคนแล้วทีนี้คุณเจริญท่า น, นก็มีเปิดชอจอร์นอัญญาก็ื่อโอริกา กค่ไหนมาอีกสองคนเลยเป็นสิบแล้วทีนี้จำเพิะเนี่ยมันมีเออหญิงเอ่อคุยงผ่อนมันป่วยมันป่วยเหมือนกันก็ว่าคนไม่มีแรงอย่างเงี้ยอยากจะล้มก็ล้มเออแล้วก็พูดภาษาก็ ก็คือเกิดกับไม่เคยามาเหมือนกั ค, คนเป็นโลคเอามาปึ๊มาผ้าอย่งนั้นแหละเแล้วก็ไม่สบายแล้วก็มาถึงเอามาก็มานั่งพอดีมาตอนเช้าเช้า ว, วันลุ่งขึ้นจะเอ่อจะเปิดโรงเรียน แล้วมันก็มาก็มาแล้วเนี่ยผมก็เขียนที่ปนะว่าพระราชธรรมเจติยาจารย์หลอดแอะหลอธรรมคนเขมเป็นมัสเตอร์เมดิเทชันอิสต์เทอร 99.5 เบปอรี99ไอตัวหนังสือเนี่ยมันมองไปอย่างงี้นะตัวหนังสือนี่มันเล่นมาข้ตัวมันเล่นเข้ามาเล่นเข้ามาล้วเข้ามาในตัวมันเนี่ยไอโรคที่มันเป็นนีหายหมดแามก็ันเดินวิ่งสบาย โอ้โหมองว่านี่เก่งกว่าอะ ไ, ไรละมาอิ่แน่มันเป็นสัมภาษณ์นะครพิมไอ้นั้นเสือพิมก็ดัมันขอมาสั่งจังก็เลยพาหัวข้าวเลย <c oughs> นี่เราก็ลุ้งขึ้นมาพรังมา20คน <c oughs> เลยกลายเป็นนักเรียน35คน <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเปรียใจ เนี่ยก็เรียกว่าโดนต้เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะแต่ต้มรุ่นพ่อมันไม่ค่ดถูกทนั้นเองวพราว่านั้นเหนียวต้มอะไรก็ไม่ถูยแต่แล้วรุ่นพ่อที่สุดจบรุ่นแรกเขาเรียกว่ารุ่นอะไรอะ รุ่นยีสีใช่ไหมฮะที่นี่ไม่ใช่ยีเวอร์ีเวอร์เอร์ยเวอร์ร่ยเวอร์ังมีได้สอบอ2 6คนบ้านไอ้จิมเนี่ยสอบหมดเลยที่นี่พวกบ้านไจิมเนี่ยเยู่ ก่อนจะมานี่ก็โอบชิชกมาจากเมืองเราวแ่เมืองราเนี่เขาก็ต้องรู้จักภาษาฝรั่งเจและทีนี้ไอ้อาอีสองคนเนี่ยเขาเรียนภาษาจีนแล้วก็มีอีนเดียอีกสามคนหลวพ่อบอกว่าไทยก็เขียนไทยจีนก็เขียนจีน อินเดียเขียนอินเดียเพื่อหลเขียนเพื culture, อ่อหลังหลวพ่อรู้หมดรู้มดเราควรได้เกียไม่มีตกเลยรู้วรูร้สุข นี่หลวงพ่อจึงคิดถึงพระโสนาและพระอุตรลัิษณ์ทีานมาไแพ่พุทธศาสนาในประเทศไทยครั้งแรก น, ะน่ากลัวจะท่าจะลำบากมากมายตอนแรกเนี่ยคงสบายพว่ามาก็พ่อค้าเดี๋นี้พวกมาก็พ่อค้าแล้วพ่อค้ากลับแล้ว คนที่นคนไทยที่รู้จักเนี่ยไม่ได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนามันก็ปล่อยให้ทัานอดๆ อ, อ, อยากๆกระโทนน่าอุตระทีนี้แล้วมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคระหีวา่าคนเนที่ท่ามาเนี่ยตายเป็นแชลเลย รู้อะไว่าสะพอนี่กรุงเทพจากกรุงเทพเนี่ยชีวสเกตเนี่ยไม่มีพื้นเฉพาะเลยอ่ะรองศพเป็นผู้ขายนี่คือโรคอันนี้ว่าแต่ทีนี้ท่านทศนนะ้าเนี่ยท่านเป็นหมอท่านก็เอายาเนี่ยมาให้กินให้พวดนั่นก็หายกันหมด เราก็อยู่โรบอะนิวาร์ได้แต่ทีนี้ให้คนไทยเนี่ยมันเชื่อว่าผีหา่าผีห่ามาลงกินคนตายหมดแต่ว่าชาตพระโสด น, นาทัางกระทำน้ํามนต์ให้เรากินน้ํามนต์ก็หายใจก็เลยไม่ตายแท้จริงท่าเนเอายาใส่ให้หมดแล้ว <S <S <S แล้วก็เลยเชื่อทีนี้ท่านก็ไม่อดมายากแล้ว ในปูวันมาเมือไทยแล้วก็ในวังก็เกิดผีเสื้อน้ำ ม, มากินเด็กในวังในกินหมดไปหลายร้ยหลายร้อยคนแล้วแล้วมันบอกว่าจะกินทั้งหมดทั้งวังเลยปูวันหาใครไปช่วยทีนี้ขาวว่าพระโสนะไล่ผีเก่ง เคยได้ผีหายที่มันรหวงให้่ว่าก็เลยเชิญพระสนนะมาทิวงพระสนท่า น, นก็รู้เลยว่าไอ้นี่มันมันไม่ใช่ผีแล้วมันเป็นไข้เลือดออกท่านก็มียาให้กินแล้วก็ได้ใส่สี น, น้องวังเสร็จแล้วผีเสื้อน้ำ มันมีอยู่ห้าร้อยตัวมันกระโดดน้ำหนีลงไปชะเลเลยอันนี้เป็นความฝันของพวกชาววังอันนี้เขาเขียนไว้ในโลกใตวิสารเขาเขียนไว้นะอันนี้มมนมีใครได้อ่านนะ <c oughs> กว่าท่านจะกว่าพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างนี้ท่านกลบางลมบา แม้ว่าอย่างไรก็ตามหลวงข้อไปเทน่นแล้ก็จะไม่ลำบากเท่าทันเพราะว่ามีรถิขีได้เย่ยเพื่จะได้กินขนมปังแม็กตอนเช้าด้ลาฟเวยได้แม็กเียสเทมส์เมาโมได้เราคยเราก็ เขหลังก็มาเรียนสมาธิด้วยเวลามันจะทําบุญมันก็ให้การกันเดียวมันทำบุญาการใบเดียวท่นเนี่ยแล้วเราก็ไปรูดการใบหนึ่งก็รูดข้าวเลยบางทีบางการก็เลยสามมือมันข้ า, ก, าก็เลยสองมือ <c oughs> ทีนี้เราจิ้ฉันแต่มือเฟ้ เราไปรุนเรามือเพนอ่าฉลองฉ า, ามันเราดูดได้เอาอะไรเอาส ม, ส ม, สมก็ได้ <c oughs> นิมมบ์เทก็ได้เตอะก็ได้อย่างเนี้ยมันก็ไม่เหมือนท่านพระโสนาต้องมาลปามเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนนี่นับสือแต่ผีไม่ได้หนังสือดู ไปได้จ้าวโอ้อดีตพี่ด้วย <c oughs> <c oughs>